ไม่มีไฟใดเสมอด้วยราคะไม่มีโทษใดเสมอด้วยโทสะไม่มีทุกใดเสมอด้วยเบญจขันธ์ไม่มีสุขใดเสมอด้วยความสงบุทธวัจนะ การเจริญสติเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการเจริญภาวนาหรือจิตตะภาวนาจิตตะภาวนานั้นก็คือการทำจิตให้เจริญการทำจิตให้เจริญนั้นก็คือการมาเจริญสตินั่นเองตามธรรมดาแล้วเนี่ยจิตของคนเราเนี่ยมันเป็นปกติ มันไม่มีความโกรธไม่มีความโลภไม่มีความหลงแล้วก็ไม่มีปัญญาเป็นจิตที่ว่างๆส่วนความโลภความโกรธความหลงหรือปัญญานั้นเกิดขึ้นมาทีหลังภายหลังกักที่เราได้ฝึกสติก็ทําให้เกิดปัญญาหรือภายหลังจากการที่เราได้กระทบกลับอารมณ์ที่มาทางตาทางหูเป็นต้น ถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาคอยควบคุมสิ่งเหล่านี้ล้วก็จิตเราก็จะมีโมหะมีความหลงมีความโกรธเป็นต้นการเจริญสติก็เพื่อทาจิตของเราเนี่ยให้เป็นจิตที่ว่างๆที่เป็นปกติถ้าจิตที่เป็นปกติและมีสติคอยคุ้มครองดูแลอยู่เนี่ยจิตจะมีพลัง อันนี้เาจะเรียกว่าเป็นพลังจิตก็ได้หรือกำลังจิตก็ได้ยันใดที่เราท้อแท้หมดกำลังใจเราสามารถที่จะปลุกกำลังใจให้เกิดขึ้นในจิตใจเราได้โดยอาศัยกาลังสตินี่เราเป็นการพึ่งตนเองกำลังใจที่ได้จากคนอื่นเนี่ยยังไม่เทียบเท่ากับ กำลังจะที่ได้จากใจเราเองที่ได้จากกําลังสติเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจรึงเน้นว่าให้เรามามีสติมีความรู้สึกตัวอยู่ที่จิตที่ใจเราอยู่เสมอๆใจเราจะได้มีกําลังเราจรึงมาเริ่มต้นเด็กการฝึกเจริญสติซึ่งที่จริงด้วเนี่ยเราก็เริ่มกันอยู่ทุกวันอยู่แล้วบางท่านก็อาจจะมีแล้วในตัวเอง แต่เราสามารถที่จะสร้างเสริมความรู้สึกตัวสร้างเสริมสติเนี่ยให้มีขึ้นอีกให้มีขึ้นมากๆได้โดยการมาสร้างขึ้นมาเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยสติเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นเองไม่ได้ไม่มากเร า, าต้องมาสร้างตัวนี้ขึ้นมาให้มากๆให้มีขึ้นในจิตในใจเราคือการมีสติระลึกรู้ลงไปที่กาย ทิ่จิตของเราเป็นปัจจุบันบางท่านอาจจะมีสติมากเพียงพอเนี่ยเราจะสามารถที่จะลืกรูกล้ลงไปที่จิตใจได้การรู้จิตการดูจิตก็ต้องดูต้องรู้ด้วยสติจะไปคิดเอาไม่ได้การรู้จิตก็คือรู้ที่ความคิดซึ่งเป็นอาการของจิตถ้าเรารู้ที่ความคิดชัดเจนแล้วเนี่ยต่อไป เราจะเห็นจิตจะรู้จักจิตคือตัวผู้ที่รู้ในความคิดนั่นเองแต่ถ้าเราจะดูจิตได้นั้นเราต้องมีสติที่มั่นคงเข้มแข็งก่อนต้องรู้ต้องเข้าใจว่าอะไรคือสติอะไรคือจิตอะไรคือความคิดต้องแยกแยกให้ออกถ้าเราแยกแยกไม่ได้ลรวก็เราจะดูจิตเราเองไม่ได้ เพราะฉะนั้นการจเจริญสติให้มากๆนั่นแหละจะทำให้เราได้ดูจิตได้ชัดเจนเพราะว่าการดูจิตนั้นจิตผู้ดูเนี่ยต้องเป็นกลางๆไม่มีการปรุงแต่งเราจะทำให้จิตเราเป็นกลางๆได้นั้นเราต้องมาสร้างสติของเราเนี่ยให้มีขึ้นในจิตใจเรามากๆเราจรึงเน้นว่า มาเริ่มต้นจากการดูกายก่อนเพราะกายเนี่ยมันเห็นได้ชัดมันรู้ได้ง่ายการดูเนี่ยไม่ใช่ดูด้วยตาดูด้วยความรู้สึกของจิตหลับตาเราก็ดูได้เวลากายเคลื่อนไหวให้เรา ล, ลึกลงไปที่กายกาลังเคลื่อนไหว รู้ด้วยความรู้สึกตัวไม่จะรู้ด้วยความคิดนึกเราจะเคลื่อนไหวด้ววิธีใดก็ตามที่เราพอจะหาได้จะกระดิกนิ้วจะขยับเท้าจะกระพริบตาพลิกมือไปมาหรือที่ลมหายใจที่มันเกี่ยวเนื่องกับกายเนี่ยเราสามารถที่จะเอามาเป็นฐานที่ตั้งของสติได้คนที่มีร่างกายเป็นปกติ ย่อมมีการเคลื่อนไหวได้มากฐานที่ตั้งของสติจึงมีมากกว่าคนที่มีร่างกายพิการกายต้องเคลื่อนไหวสติจึงจะเกิดขึ้นได้มากกายที่อยู่นิ่งๆเนี่ยสติจะไม่ค่อยเกิดจิตใจเราจะจมแช่อยู่กับความนิ่งอย่างมากก็ได้แค่ความสงบ ซึ่งไม่เกิดปัญญาแต่ถ้ากายที่เคลื่อนไหวไปมาเนี่ยถ้าเรามีเจตนามีสติแล ล, ลึกลุ้ลงไปที่กายเคลื่อนไหวเนี่ยสติจะตื่นคือตื่นรู้เราจึงตรงมาเจตนาเคลื่อนไหวเจตนารู้สึกตัวลงไปที่กายเคลื่อนไหวให้ต่อเนื่องกันานานอันนี้ก็คือความเพียรเน้นให้มีความรู้สึกตัว ลงไปที่กายเคลื่อนไหวหรือที่ใจมันคิดมันนึกให้เป็นปัจจุบันขณะเนี่ยอันนี้เราคือกรรมาฐานกรรมาฐานก็คือการเจริญสติคือฐานที่ตั้งของสติคือกิจกรรมที่ฝึกจิตฝึกใจนี่คือกรรมาฐานคือที่ตั้งในการงานทางจิตใจนั่นเอง การเลือกรู้ลงไปที่กายก็ดีที่จิตก็ดีเนี่ยเราต้องวางจิตวางใจให้ถูกต้องให้รู้เฉยๆรู้เบาๆอย่าไปเพ่งอย่าไปจ้องมันจะเครียดให้รู้ง่ายๆรู้แบบดูสักได้ว่ารู้อยู่ห่าง วางใจเป็นกลางไม่ต้องคิดนึกอะไรการเจริญสตินี่ไม่ต้องใช้ความคิดใช้แค่ความรู้สึกตัวอยู่เฉยๆแค่รู้เฉยๆไม่ต้องคิดรู้แบบไม่ต้องคิดรู้แบบไม่มีเงื่อนไขไม่มีความหมายอะไรสักตวิว่ารู้ลงไปที่กายเคลื่อนไหวหรือที่ใจมันคิดมันนึก อันนี้เป็นการวางจิตวางใจของการเจริญสติที่ถูกต้องบางท่านอาจจะคิดว่าอ้าวเรารู้เฉยเฉยเนี่ยถ้าเราไม่คิดนึกเนี่ยเข้าไปช่วยปรุงแต่งเนี่ยเราจะเกิดปัญญาได้อย่างไรเกิดได้รับรองว่าเกิดได้การที่เรารู้ไปด้วยแล้วก็คิดไปด้วยเนี่ยมันก็เป็นปัญญาเหมือนกัน แต่เป็นปัญญาที่เกิดจากการคิดนึกไม่ใช่เป็นปัญญาที่เกิดจากการภาวนาปัญญาที่เกิดจากการคิดนึกเนี่ยก็ เ, เรียกว่าจินตามะยะปัญญาคนทั่วไปก็มีมากอยู่แล้วปัญญาที่เกิดจากการคิดนึกยิ่งสมัยนี้เนี่ขามีนักคิดมากมายแล้วเขาส่งเสริมสร้างสารรค์ให้เป็นนักคิดนักคิดที่คิดมากๆเนี่ย ก็คงจะบรรลุธรรมไปแล้วท่านดูฟังเห็นไหมนักคิดเนี่ยฆ่าตัวตายมากกว่ามีนะอันนี้เป็นแค่ปัญญาเกิดจากการคิดนึกแต่ปัญญาที่เกิดจากการภาวนาเนี่ยมันรู้เฉยๆรู้แบบดูเนี่ยปัญญาที่เกิดจากการคิดนึกเนี่ยมันเป็นเรื่องสมมุติแต่ถ้าปัญญาเกิดจากการ ภาวนาคือลึอกรู้โดยตรงเนี่ยรู้เฉยเฉเนี่ยอันนี้เป็นตัวปรมัตดไม่มีคําพูดไม่มีความคิดมีแต่ความรู้สึกเนี่ยคือปัญญาที่ไม่มีชื่อจะไม่มีคําพูดก็ได้เพราะฉะนั้นให้เรารู้สึกตัวล้วนๆอยู่อย่างนี้แหละรู้แบบดูเนี่ยอันนี้เป็นวิปัสสนาวิปัสสนาก็คือดูเราเห็น ถ้าเกิดปัญญาแล้วเนี่ยเห็นแล้วสามารถที่ไม่เข้าไปเป็นก็ได้มันเหมือนกับแก้วอะแก้วล้วนๆเนี่ยมันยังไม่มีน้ำแต่ถ้าเราเอาแก้วเนี่ยไปใส่น้าที่มีสีเราก็เรียกว่าแก้วน้ำเราเห็นได้ชัดเลยแก้วจะไม่บริสุทธิ์จะมองไปแต่ถ้าแค่ที่ใส่น้า น้ำที่สีขาวๆแม้ว่าน้ำจะใสสีขาวแล้วก็ตามแก้วก็ยังมองอีกแต่ถ้าแก้วที่ไม่มีน้ำเลยนี่แหละจะเป็นแก้วที่มีปากกายแวววใสเป็นแก้วล้วนๆเป็นแก้วบริสุทธิ์นี่แหละคือแก้วที่แท้จริงไม่ใช่แก้วน้ำจิตใจเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราฝึกสติ ให้รู้สึกตัวเฉยเยรู้เฉยเเนี่ยนะจิตเราจะผ่องใสจิตเราจะสดชื่นจิตเราจะเบิกบานด้วยตัวที่รู้เฉยเฉยเนะี่ยรู้ที่ไม่มีความคิดไม่ใช่คิดรู้คิดรู้นี่ยังไม่จริงเท่ากับรู้เราไปล้วนเนี่ยจริงกว่าเราไม่ต้องไปคิดเอาหลอกไม่ต้องคิดช่วยจิตที่รู้เฉยเฉยเนี่ยมันเห็นเอง เห็นธรรมะไปเองในเช่นความโกรธเมื่อความโกรธยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะริสติไปแล้วก็คิดว่าไอ้ความโกรธนี่มันไม่ดีความโกรธนี่มันไม่เที่ยงความโกรธไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนั่นแหละเป็นความโกรธที่เกิดจากความคิดเอาซึ่งยังไม่มีขึ้นในปัจจุบันแต่พอความโกรธเกิดขึ้นปั๊บเรามีสติแลลึกลงไปเฉย รูปแบบเป็นกลางๆ เ, เราใจเห็นเองว่าความโกรธมันไม่เที่ยงอย่างไรความโกรธเป็นทุกข์อย่างไรความโกรธไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอย่างไรเนี่ยเห็นเองวิปัสสนาเนี่ยจะดูแล้วก็เห็นและไม่มีคำพูดมีแต่ความรู้สึกที่เป็นปัญญาล้วนๆในตัวสติล้วนๆอันเนี้ยเท่ากับทาให้จิตเราว่างแล้วจะว่าเป็นนิพพานชิมลองก็ได้ เราลองฝึกแบบรู้เฉยดูบ้างแบบไม่ต้องคิดเรามากักจะอยู่ในโลกของความคิดมานานเราไม่เคยอยู่ในโลกของความรู้เฉยถ้ารู้เฉยนี่มันไม่เป็นโลกแล้นะมันอยู่เหนือโลกแล้วเหนือโลกคือเหนือความคิดนี่เองถ้ารู้เฉยรู้สึกตัวล้วนลงมาที่กายที่จิตนี่แหละเราจะเรียกว่าเป็นมักก็ได้เป็นมั ก, กคือวิถทางความดับทุกข์ เมื่อเรารู้ชัดเจนรู้เฉยๆอย่างนี้แล้วแม้ว่าเราจะไปคิดเราก็คิดได้แต่เราคิดด้วยจิตที่รู้เนี่ยไม่ใช่คิดด้วยจิตที่มันคิดความบริสุทธิ์จะต่างกันขอให้เราศรัทธาในการปฏิบัติแล้วก็มีความขยันมีความอดทนที่จะเจริญสติให้ต่อเนื่องกันต่อไปเพราะว่าเราต้องฝึก ช่วยเหลือตัวเราเองช่วยตัวเองให้มากๆและเราจะพึ่งตัวเราเองได้เป็นการสร้างที่พึ่งที่แท้จริงคือพึ่งตนเอง